เสีนอเป็นรู้สิวัดป่าตังนานาเป็นไหมถ <c oughs> ้าอย่างไม่เป็นเสชื่อตุลาจารย์หลวง่อก็เียนจากวัดป่าได้เรีนที่เดียร์เรียนท่านพลีมานัสสรนนั้นเจ็ดขวดเจ็ดขวดทั้งปานานแล้วนะ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 เจ้าหลวพุดหลวงปูงป่สอนให้ดูจิตหลวงพุดดุมันเป็น ป, ปรมาจารย์ที่แปลกสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันรลูกศิษย์ท่านนะที่ท่านสอนดูกายนะเรืเยอะกว่าดูจิต น, นะผไม่นนว่าหลวงพุดูสอนจะดูจิตท่านดูจิตได้ใส่เ่าไปหาท่านข้าไปกราบขอเรียนกรรมฐ า, านแนะ่ยต่อหน้า ถ้ต้องเจ้าไม่สอนเนาะนั่งหลับตาเงียบเกือบชั่วโมงถ้าลืมตาต้มากสอนสอนแต่ละคนยังไม่เหมืนหอนเนแต่หลักใหญ่ๆนะท่านนะข้าดูกายนะคีดว่าต้องตังวันเห็นกายแยกออกไปคิดเป็นกฎดูกตอนนี้ครูบาอาจารย์สอนโจงกระดมนะครูบาอาจารย์รุ่งใหญ่ อเราตามมหาบัวพูดมันเคยแยกค่าแยกขันไว่เป็นนะเองมันคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาแล้วเราต้องแยกให้เป็นกายกับใจเราแยกออกจากกันความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปอยูต่ต่างความปลุกตีปลุกชั่วยแยกกันตา่างก่อนที่มันจะแยกได้เราต้องมีสมาธิมากอ่อสมาธิถูกชนิดไหย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 หลวพ่อจำชะลที่สาเด็กจิงตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นถ้าจะเป็นโยมเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาศีลท่านว่องไวท้งหมอกปลาท่านเรียนรู้กุศลตลวงปู่สิลป์ท่านเห็นหน้าหลวงพ่อแ้ท่านบอหลวงพ่อว่าผูาา้รู้เพราะอะไรก็จิตจะเป็นผู้รู้ศีตั้งมั่นเด่นดดเือเป็นฆราวาสต้ฝึกได้ถ้ารูบาจากย์พิทีฝึกก็ต้องฝึกนะ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 ไม่้ว่าพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตอะไรพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประมาทอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระมาทก็จิตนั่าไหละถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำนะได้จิตจะได้ทั้งหมดเลยเสียจิตไปตัวเดียวเสียทั้งหมดนั่นแหละต้องฝึกไม่สึกไปได้ครับของฟรีไม่มีของฟุ๊ไม่มีต้องลงตื่นลงแรงเอา ไปเนต่อ i s ย s กีังเดียวเราพ่อเ i า i